ทรงอนุญาตให้สมาทานมานัทสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเดินทางออกจากกรุงสาวัตถีไปในที่ต่างๆภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัทสามารถทำมานัทให้บริสุทธิ์ได้จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย